ภูอโยคูกัสภูอ <t> ังกรตูธรรมม่เทียานนอนญาณจะปริสา ภควะโตอะระหะโตสมสัมพ ja ุทธัสสะนโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสมะสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสมะสัมพุทธัสสะท้าราชามันตจะเยพาลาเยจักปันฑตา สัพเอมจุวังยันติสัพเอมจุปรายนาติอีบัดนี้จกได้แสดงประธรรมทศนาเรื่องสงกรานต์ความจริงนั้นควรจะเทศเมื่อวันพระที่แล้วมาคือวันที่ 12, สิบสองเมษายนแต่บังเอิญวันนั้นอัตมาไม่อยู่ไปสดต่างจังหวัดจึงได้ให้ ท่านประมหานิยมวารียนเจ็ประโยคแสดงแทนแต่ก็ปรากฏว่าแสดงได้ดีมีประชาชนชื่นชมอนุโมทนาชมเชยกันอยู่มากก็เป็นที่นาอนุโมทนายิ่งนักเนื่องจากในวันนั้นอาตมาไม่ได้เทศในเรื่องสงกรานเพราะวันที่สิบสามเมษายนเป็นวันต้นแห่งสงกราน ด้วยเหตุนี้จึงได้ย้อนต้นมาเทศเรื่องสงกรารในวันพระนี้แต่ก็คงจะไม่สายเกินไปเ้าว่าวันสงกรารเพิ่งผ่านไปได้สามสี่วันเท่านั้นเองถ้าวันสงกราร น, นั้นมีสามวันวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเกเพราะฉะนั้นกลิ่นของสงกรารก็ยังไม่จางหายไปฉะนั้นการที่จะนำเอาเรื่องสงกราร อันเป็นประเพณีสำคัญในทางพุทธศาสนาซึ่งคนไทยที่นิยมยกย่องนับถือพุทธศาสนาควรจะได้ทราบเพราะว่ามีสาระสำคัญในวันสงกรานต์นั้นมากมายที่ญาติโยมพุทธบริษัทจะพึงนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้อัตมาภาพ จึงได้ย้อนต้นนำเอาเรื่องสงกรานต์มาเทศในวันนี้ให้ญาติโยมได้สดับรู้ไว้ได้ประโยชน์โทษไม่มีอันว่าวันสงกรานต์นั้นก็คือนักขัตฤกษ์สำหรับขึ้นต้นปีใหม่ในสมัยโบราณคือสมัยโบราณ น, นั้นนับเดือนห้าเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วกลางปีก็คือสิ้นเดือนสิที่เราทา แล้วก็วันปลายปีก็คือสิ้นเดือนสี่ทำพิธีตรุษสามระยะนี้เป็นงานประจำปีสำหรับคนไทยผู้นับถือพุทธศาสนาบัณฑิตแต่โบราณท่านฉลาดต้องการผู้ใจพุทธบริษัทได้ทำบุญกันมากๆจึงได้ขยายกระจายเรื่องการทำบุญไว้ หลายประเภทไปกันบุญประจำวันก็มีบุญประจำเดือนก็มีบุญประจำปีก็มีที่อตามาเคยพัฒนาไว้หลายครั้งแล้วว่าบุญประจำวันก็คือทำบุญทุกทุกวันเช่นใส่บาต ท, ทุกวันรักษาศีลทุกวันสวดมนต์ทุกวันนี่เป็นบุญประจำวันบุญประจำเดือนก็คือวันพระ น, นี่างเดือนหนึ่งมีสี่วันพระ ทุกวันพระเราก็ละกิจการบ้านเรือนภาระต่างๆมาวัดมาทําจิตทําใจให้สงบซะเดือนหนึ่งสี่ครั้งนี่เป็นบุญประจําเป็ดประจําเดือนบุญประจําปีก็เช่นวันตรุษวันสงการานและก็วันศาหรีพเนกหนึ่งกัวันมาคาวันวิสาขาวันอาสารหะเหล่านี้เพราะปีหนึ่งปีหนึ่งมีอย่างละครั้งเดียวเรียกว่าบุญประจําปี การที่โบราณท่านให้บรรดาพุทธศาสนิ ก, กชนทำบุญเช่นนี้ก็เพื่อว่าจะได้หาที่พึ่งให้แกตัวเองเพราะว่าสิ่งอื่นนั้นไม่เป็นที่พึ่งอันแน่นอนสู้บุญไม่ได้บุญนี่เป็นที่พึ่งอันแน่นอนทั้งโลกนี้และโลกน่าด้วยว่าชีวิตของเรานี้มันน้อยเหลือเกินใกล้ความตายก็เป็นทุกวันทุกวันทุกคนต้องตายกันทางนั้น น่นพระศ า, าสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้เราอย่าประมาทในชีวิตเรียดทาที่พึ่งแห่งชีวิตะเพราะชีวิตที่มันน้อยเหลือเกินทาราจามหันตาจะเยภาลาเยจปันดิตาสัพเเอมจัวสังยันติสัพเเมจุปรยานาพระบาลีอทตมายกไว้ข้างต้นดังที่กล่าวมานี้แปลว่าทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนโง่และคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจของความตายเราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดดังนี้นี่พระพุทธเจ้ากลัดไว้ชัดแจ้งเพราะฉะนั้นความตายนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนจะต้องได้รับชอบก็ได้รับไม่ชอบก็ได้รับหนีก็ได้รับไม่หนีก็ได้รับคือความตายนี้เรจะต้องประสบครั้งหนึ่งในชีวิต เมื่อเป็นเช่นนี้โบราณท่านชราดท่านต้องการให้คนเหล่านี้มีชีวิตเป็นสาระมีชีวิตเป็นก่นสารมีชีวิตที่อบอุ่นมีชีวิตที่มีที่พึ่งสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งอันแน่นอนนั้นอะไรก็สู้บุญไม่ได้ทรัพ ส, สมบัติก็ไม่แน่ลูกหลานก็ไม่แน่อะไรแล้วก็ไม่แน่ทั้งนั้นแม้แต่ตัวเราเองยังไม่แน่เลย เดี๋ยวก็แก่เท่าชาราตายไปมันแน่นอนที่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นของแน่นอนที่สุดก็คือบุญกุศล น, นี่เองด้วยเหตุนี้ท่านจึงกระจายให้ประชาชนสนใจเรื่องการทำบุญให้มากๆบุญประจำวันบุญประจำเดือนบุญประจำปีแม้การสงกรานนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่โบราณท่านฉล า, าดต้องการให้ประชาชนทาบุญ ปีหนึ่งสามครั้งใหญ่ๆต้นปีกลางป Ren ี ri, แล้วก็ pantry, ปลายปีต้นปีนั้นก็คือสงกรานต์กลางปีนั้นก็คือตรุษไทยอาอาคือสไทยปลายปีนั้นก็คือตรุดรรนั่นเอง <Yes. S 2> ต้นปีครั้งหนึ่งกลางปีครั้งหนึ่งแล้วก็สิ้นปีครั้งหนึ่งครั้งใหญ่ๆนะปีละสามครั้งสามครั้งต้นปีกลางปีปลายปีเพราะฉะนั้น ในวันที่สิบสาเป็นวันต้นของสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่สมัยโบราณสงกรานก็คือนักขัตตะฤกต้อนรับปีใหม่เมื่อวันสงกรานมาถึงเช่นนี้แล้วเราก็ควรจะได้ปฏิบัติในวันสงกรานให้วันสงกรานนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นสงกรานนั้นโบราณถือกันว่าพระอาทิตย์โครจรออกจากราศีเมษ แล้วก็วนรอบไปทุกราศีใช้เวลาสิบสองเดือนแล้วก็วนรอบกลับมาเข้าสู่ราศีเมษอีกในวันที่ส3บสามเมษายนของทุกทุกปีในวันนี้แหละเราถือว่าเป็นวันสงกรานต์เป็นวันนักขัตฤกษ์ตอนรับปีใหม่ในวันสงกรานต์เช่นนี้บรรดาพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติอย่างไร ให้วันสงกรานนั้นเกิดประโยชน์ขึ้นแก่เราและแก่ผู้อื่นด้วยแต่โบราณอาการมาถือกันว่าเมื่อวันสงกรานมาถึงแล้วเราก็ได้ประกอบสิ่งที่เป็นสาระทั้งทางโลกและในทางธรรมในทางโลกนั้นเราก็เล่นนักขัตฤกษ์ต่างๆอย่างที่ท่านอารายเคยได้เล่นมาบ้างก็คงจะมีเป็นการแสดงว่ามีเราน่ามีชีวิตผ่านพ้นมาหนึ่งปีแล้ว ผ่านข้ออุปสรรคอันตรายเพราะว่าชีวิตของเรานี้มันน้อยแล้วก็มีอันตรายเหลือเกินอันตรายภายนอกอันตรายภายในอันตรายภายนอกก็เช่นเกิดจากไฟเกิดจากน้ําเกิดจากรถเกิดจากคนที่เป็นศัตรูมากมายกายกองที่จะทําให้ชีวิตของเราออกจากร่างไปคือตายอันตรายภายในก็เช่นว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคอย่างนั้นเป็นโรคอย่างนี้จะเอาให้ตายจะให้ได้ อันตรายทั้งภายนอกภายในมันคอยจ้องจะจับนําเอาชีวิตของเราหนี้จากโลกนี้ไปเสียให้จนได้เมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราได้รักษาชีวิตให้ตลอดรอดฟังมาก็ ป, ปีหนึ่งปีหนึ่งนั่นเป็นบุญนักหนาแล้วที่เรายังไม่ตายซะก่อนอาสนบท่านสาธุชนพุตตฤศจงคิดเถอว่าวันสงกรานผ่านไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราทั้งหลายเหล่านี้จะได้ไปชมวันสงกราน คราวหน้าอีกหรือไม่ยังไม่รู้นะอาจจะมีใครตายไปก็ได้มันไม่ของไม่แน่ใดๆในโลก้วน อ, อนิจังเพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตผ่านปีหนึ่งปีหนึ่ ง, งรอบปีหนึ่งนั้นทําได้ยากเพราะอันตรายมันมากเหลือเกินอย่างที่ว่าด้วยเหตุนี้เมื่อถึงวันสงกรานต์คือวันขึ้นปีใหม่เราก็แสดงความชื่นชมอยูดียวเออเรายังไม่ตายมาขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ก็แสดงความชื่นชมยินดีทั้งทางโลกลในทางรมในทางโลกก็มีการลเล่นเต้นรําต่างๆตามประเพณีของหมู่บ้านนั้นๆหรือตามจังหวัดนั้นๆอําเภอนั้นๆตามแต่ที่จะกําหนดกันขึ้นนในทางโลกโลกส่วนในทางธรรมะนั้นเราก็ประกอบพิ ธ, ธีบุญกุศลเช่นแต่โบราณมาก็เฉยๆว่าไปค้ากิ่งโพบ้างเอาไม้ยาวยาไปค้ากิ่งโพ ถือว่าเป็นการทำให้อายุมั่นขวัญยืนต้นโพกอายุยืนคนไปค้ำก็อายุยื น, น, าายยนาศาสนาก็ยืนนี่มีพิธีไปค้ำกิ่งโพกันอีกอย่างหนึ่งก็กรอบพระเจดีทรายคือเป็นการขนทรายเข้าวัดทรายนั้นก็จะได้นาเอามาเกลีย่ยงตามลานวัดเพื่อมาให้ยามันขึ้นลานวัดจะได้สะอาดแล้วก็มาประกอบนํเอานาเอาทราย่านั้นมากรอเป็นพระเจดี เป็นพุทธบูชาได้บุญกุศลอีกส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือไปรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่สงน้ำพระพุทธรูปสงน้ำพระสงฆ์นี่ก็เป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยผู้นับถือพุทธศาสนาเคยปฏิบัติกันมาอีกอย่างหนึ่งก็คือบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศให้แกบ่บรรพชนที่ตายไปแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยนาเอาอาัฐิคือกระดูกของบรรพชนเหล่านั้น แล้วก็ น, นิมนต์ประสมค์มามาติกาบางสกุลสวดน้ําอุทิศไปให้แก่บิ ด, ดามารดาปู่ญาตายายิยายญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วอันนี้ก็เป็นการแสดงกาตัญญูกัตเวทีว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนมีความกตัญญูต่อปิ ด, ดามารดาปู่ญาติยายแม้ท่านตายไปแล้วเราก็ยังไม่ลืมบุญคุณของท่านยังอุตส่าห์มาบ่อนพิงกุศลอุทิศบุญกุศลให้แกท่าน ดวงวิญญาณของท่านที่ล่วงลับไปแล้วคงจะชื่นใจว่าเออลูกหลานของเร้ดีนะแม้เราตายมานานแล้วเขาก็ยังนึกถึงเราถ้านก็คงจะเพลิดมใจมากแล้วก็อวยสินให้พรให้เราทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบต่อไปการปฏิบัติเช่นนี้ดีหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งที่เห็นไม่ง่ายก็คือว่าสร้างตัวอย่างให้ลูกหลานเห็นเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่พี่ป้านะ้าอาได้ปฏิบัติเช่นนี้ คือนิมนต์พระมามาติกาบังสกุลอุทิตให้แก่บรรพชนผู้ตายไปแล้วแล้วก็พาลูกหลานเขรามาด้วยลูกหลานเราก็เห็นที่ที่เราปฏิบัติเนี่ยมันก็จําเป็นตัวอย่างแล้วเมื่อต่อต่อไปเราตายบ้างลูกหลานมันก็ทำอย่างที่เราทําให้แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ถ้าว่าสร้างตัวอย่างที่ดีๆให้ลูกหลานมันเห็นมันจะได้ปฏิบัติตามที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วนี่เป็นการสอนลูกหลานไปในตัว นำตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานเห็นนับว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีควรยกย่องสรรเสริญเพราะเหตุนี้วันสงกรานผ่านมาแล้วเรากปป็ปฏิบัติจังที่กล่าวมาวันสงกรานนั้นก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นคือเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเพราะว่าชีวิตนี้มันน้อยเหลือเกินอย่างที่กล่าวก็แล้วเดยกก็วันเด็กก็วันเด็กก็เดือนเด็กก็เดือนเด็กก็ปีเด็กก็ปี แล้วก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นทุกทีมันใกล้ต่อปชาช้าไปทุกทีแล้วใกล้ต่อหลงฝังศพไปทุกทีแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะช้าอยู่ใหญ่รีบสร้างสิ่งซึ่งเป็นที่พึ่ง เ, เพราะเราเถอะเพราะสิ่งที่เป็นที่พึ่งนั้นอะไรไม่ดีเท่ากับบุญกุศลอย่างที่กล่าวแล้วด้วยเหตุนี้วันสงกรานผ่านมาอีกวาระหนึ่งซึ่งล่วงไปเพียงสองสามวันเท่านั้นก็เชื่อได้ว่าท่านทั้งหลายคงได้ประกอบพิธีวันสงกรานให้เป็นประโยชน์ซึ่งแก่ตัวท่านทั้งหลาย เป็นอย่างดีแล้วแต่ก็มีบางท่านในวันสงกรานย์ยังไม่ได้กระทำมาทําอปรายสงกรานย์ยังไม่เช้านี้ก็มีญ า, าติโยมกลุ่มหนึ่งมาทําให้แก่มารดาซึ่งได้ร่วมรับไปแล้วทําถวายสังฆทานแล้วก็มัตติกาบางสกุลอุทิศให้แก่บรรพชนที่ได้ร่วงรับไปแล้ ว, ว, ลวมาาววี่ก็ขอโมทนาสาธุการเมื่อเช้านั้นก็สิ้นไปอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่นาโมทนาแม้วันสงกรานจะผ่านไปแล้วเพียงสองสามวัน แต่เป็นไอของวันสงครานก็ยังจะยังไม่จบจางไปประชาชนก็ยังมาบำเพ็ญกุศลอีกสืบต่อไปยังไม่กําหนดเวลาก็ขอนัฐมนาสาธุการแก่ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายด้วยทีนี้ก็จะกล่าวถึงประวัติของสองการานย่อๆให้ท่านทั้งหลายว่าประวัติของสองการานนั้นมีมาอย่างไ ร, รงงกรไรล่าวเพียงย่อๆเท่านั้นเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาเทีิราจารุปวัตไปเชิดตัวพล คือวัดโพเนี่ยมีศีราจารึกเล่าถึงประวัติเบื้องต้นของสมกรารเรื่องย่อยๆก็ไม่ยู่ว่ามีชายนมคนหนึ่งชื่อธรรมปาระกุมารเป็นลูกของพราหมณ์เรียนวิชาไตรเพศเจนจบไตรเพศนั้นก็คือวิชาของพราหมณ์นั่นเองคล้ายๆกับพระไตรปิฎกของเราเนี่ยแต่พราหมน์น่ะเขาเรียนไตรเพศกันในวิชาในไตรเพศนั้นก็มีวิชาหนึ่ง รู้จักเสียงสัตว์ต่างๆมันร้องว่าจะร้องดีร้องชั่วอย่างไรก็ทราบหมดทางนั้นนะ่ะอยู่ในไตรเพศนั้นด้วยธรรมาปาุูกประมาณ น, นี้มีอายุไม่มากนักแต่เป็นคนเฉลิมฉลาดเหลือเกินนะเรียนเกนจบพระไตรไตรเพศในเวลาอายุเพียงสิบปีเท่านั้นก็เรียนจบไตรเพศมีชื่อเสียงโด่งดังมีประชาชนมาสมัครเป็นลูกศิษย์มากมาย ชื่อเสียงเรือกระชอนไปถึงเทวดาแม่คมมาโลกก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงคราวหนึ่งมีพระกรมองค์หนึ่งชื่อกบินมหากรมก็ได้ฟังกิจติสัพ์ของธรรมปาลุโกมานี้ว่ามีสติปัญญาดีเหลือเกินมีวิชาความรู้สูงมีลูกศิษย์ลูกหามากก็อยากจะทดลองดูว่าจะมีชื่อเสียงดีเด่นเก่งกล้าสามารถอย่างที่เขาลือกันไหม วันหนึ่งก็ลงมายัางสำนักของธรรมปาลกุมานนำเอาเรื่องราศีสามมาถามแล้วก็ตั้งกติกากันได้ว่าถ้าแก้ไม่ได้จะต้องถูกตัดศีรษะแต่ถ้าแก้ได้ท้ากบินมหาคมก็จะยอมตัดศีรษะของตัวเองนะบูชาสติปัญญาของธรรมปาลกุมารเบื้องต้นก็ไต่ถามว่าราศีสามอยู่ที่ไหนเวลาไหนราศีอยู่ที่ไหน ธรรมปาลกภมันแก้ไม่ได้ก็ขอผัดว่าเจ็ดวันผ่านได้เจ็ดวันถ้าแก้ไม่ได้ก็จะยอมตัดสีสามท้ากบินมหาคมก็ใจปั้มเหมือนกันยอมอนุญาตเอาเจ็ดวันก็เจ็ดวันหลังจากธรรมปาลูกุมารกลับมาแล้วนั่งคิดนอนคิดปิศนาราสีสามหนึ่งวันสองวันสามวันผ่านไปก็ยังแก้ไม่ได้สี่วันห้าวันหกวันเหลืออีกวันเดียวไงจะถึงกาหนดแล้วก็ยังแก้ไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไรคิดว่าเราอ่าตายด้วยอันนาประคมเลยไปตายเอาดาบหน้าเธอเลยหนีเข้าป่าไปนอนหลับอยู่ที่โคนต้นตาลขึ้นอยู่คู่สองต้นต่อไปก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงนกที่มาอยู่บนต้นตาลสองตัวผัวเมียไานว่าเป็นนกอินทรียนะ์มันพูดจาปราศัยกัน ตัวผัวก็พูดว่าพรุ่งนี้ลเราจะได้กินเนื้อมนุษย์อร่อยเชียวเมียก็ถามว่าอามนุษย์ที่ไหนที่มัจะมาตายให้เรากินเนี่ยผัวก็บอกว่าอ้าวธรรมาปาลูกมานยังไงแก้ราศีสาวไม่ได้ก็จะถู ก, ถกตัดศีรษะแล้วก็จะเอาตัวมาทึ้งที่นี่เราก็ได้กินเนื้ออร่อยเชียวเมียก็อ้อนถามว่าเอ๊ะเรื่องเราสศีราศีมันเป็นยังไงเี่ยถึงก็ตัดหัวกวู้แห้งอะไเนี้ยผัวก็บอกว่าอยากรู้เลยเป็นผู้หญิงจึงเรือแต่ว่านกตัวเมียก็อ้อนถาม หัวเสียไม่ได้ก็เลยบอกเรื่องราศีสามให้เมียฟังธรรมาปาลูกกมารซึ่งนอนอยู่ที่คนต้นตาลเนี่ยตอนนั้นตื่นแล้วก็ได้ยินโดยตลอดทีเดียวว่าอ้อราศีสามมันคืออย่างงั้นทีเดียวก็ได้สติ ป, ปัญญา จ, จากนกเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่แก่ราศีสามจะไปแก้ตอนต่อไปธรรมาปาลุกกมาลดีใจได้วิธีแ ก, แก้เรื่องราศีสามหรือว่าเราไม่ตายในคราวนี้นะ แต่สิปัญญาจากนกก็สรัดแข่งสรัสขาด้วยความปลื้มใจไปสู่ที่นัดหมายของท้าวกบินมหาคมก็ไปแก้ปัญหาราศีสามสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาท้าวกบินมหาคมก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตรักษาคำมั่นสัญญาเมื่อธรรมปารุกมุมารแก้ได้ถูกต้องโดยตลอดท้าวกบินมหาคมก็รักษาสัญญาก็จะตัก ศีรษะบูชาสติปัญญาของธรรมปาลกุมารนก็ในว่าศีรษะของทา้ากบินมหาพรมนั้นเป็นของมีฤิษม์มากถ้าตกลงบนพื้นแคันดินก็ไฟจะไม่โลกถ้าย้อนขึ้นไปบนอากาศฝนฟ้าจะแรงเจ็ดปีเจ็ดวันถ้าย้อนไปบนภูเขาภูเขาก็จะแหลกเป็นพักสมทุลีถ้าย้อนลงไปในมหาสมุทรน้าก็จะแห้งผักปลาตายกันหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ท้าวสักการินพระเทวราช เห็นว่าโลกจากที่น้าไปละคราวนี้ทนไม่ไหวสงสารชาวโลกก็เลยนําเอาผานทองมารองรับเสียรท้ากรวินมหาพรมที่จะตัดคานั้นใส่ไว้ในผานทองแล้วก็นําเอาเสียรท้ากรวินมหาพรมที่ตัดนี้มอบไปให้แกท่ทีดาของท้ากรวินมหาพรหทั้งเจ็ดนางที่มีชั่วทุงศักดิ์ีรีนีเป็นต้นธีดาของท้ากรวินมหาพรหมทั้งเจ็ดนางนี้ก็ น, นําเอาเสียงบิดาของตน เก็บรักษาไว้ที่ทำคันทัศน์ภูรีเขาไกรราชปีหนึ่งปีหนึ่งก็นําเอาเสียงบิดานี้มาแห่รอบเขาจักรวาลเพื่อเป็นการบูชาปีละครั้งปีละครั้งเวียนกันไปที่เราได้กันว่าเป็นนางสมกร์เนี่ยท่านทั้งหลายคงจะเห็นใบปฏิทินใบใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็สังเกตดูก็จะเห็นมีเทวดาเทพปฏิดาเทพขบุตรแล้แห่เห็นแล้วก็มีเสียงเท้ากระเนมหาคมนะัชเชิดอยู่ในพาน แต้องมีตัวสงกรารมีสัตว์ต่างๆปีนึงก็ไปอย่างหนึ่งไม่เหงือนกันน ะ, ะสําหรับปีนี้นางสงกรารทรงนามว่าโคราคเทวีมีชั่วนางโคนางโคราคเทวีแล้วก็ทรงพาุรัตทัดดอกปีกทรงพารัตทัดดอกปีกแล้วก็อาพรแก้มุกดาหาันทักษะหานน้ํามันนะเนี่ยตัวสงกรารไม่กินน้ํามันนะ พรายน้ำมันจึงได้แพงอยงีเป็นไงนกํางน้ำมันแพงพระหัตถ์ขวาก็ทรงพระขันพระหัตถ์ซ้ายก็ถือไม้เท้าแล้วก็เสด็จสายญาติมาบนเหนือเหนือหลังของพยัคค์คือเสือไงปีนี้จึงดุแม น, นี่เป็นตัวของสงกรานเล่าย่อๆมาให้ญาติโยมได้ฟังว่าที่มาของสงกรานนั้นคืออย่างไรทรีิปัญหาสำคัญอยู่ที่ราศีนะ ี่ตัวสาคัญของปัญหาอยู่ที่ราศีเป็นข้อปฏิบัติเป็นอย่างดีราศีคืออะไรราศีนั้นอธิบายไว้หลายอย่างพู้ที่มีโชคลาบดีเขาว่ากันว่าคนมีราศีหรือคนมีสง่ามีผิวพรรณผ่องใสก็เรียกว่าเป็นคนมีสง่าราศีในทางพุทธศาสนาถือว่าคนมีบุญเนคนที่มีบุญน่คือคนมีราศี จะยังไรก็ดีราสีก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ประชาชนคนสนใจในเรื่องของราศีที่ราสีก็มีสามประการด้วยกันสามเวลาสามอย่างเชา้ชาเช้าราศีสถิตยอยู่ที่หน้าเวลาตะวันขึ้าราศีสถิตยอยู่ที่อกเวลาตะวันตกราศีสถิตยอยู่ที่เท้านี่ใญาติโยมจำไว้เบื้องต้นเสียก่อน เช้าเช้าราศรีสถิตอยู่ที่หน้าเวลาตะวันกล้าราศรีสถิตอยู่ที่อกเวลาตะวันตกราศรีสถิตอยู่ที่เท้าเนื่องจากเวลาเช้าเช้าราศรีสถิตอยู่ที่หน้านี่เองเวลาตื่นนอนเรารจึงต้องล้างหน้าล้างตาล้างปากให้สะอาดถ้าใครไม่กระทําอย่างนี้ซะก่อนก็ไปทํากิจการงานก็เสียสง่าราศรีด้วยเหตุนี้เลยจึงต้องล้างหน้าซะก่อนอีกอย่างหนึ่ง ท่านสอนว่าอย่างมีโมโหโกรธาเวลาเช้าๆจะเสียิกตต้องทำให้จิตใจสบายหน้าตายิมแย้มแจ่มใสสุนทรผู้รัตน ก, กวีของไทยได้กล่าวว่าในสวัสดีรักษาพยายามเช้าตรูสุริโยอโนไทยตื่นนอนให้ห้ามโทโสอยาโกรธาผินพักสู่บรพัิตแด่ทักษิณเสกวารินด้วยประธรรมคาถาที่นับถือคือพระไตรสรณา ข่วนสาคาจึงชำระสะพระพักนี่หมายความว่าตือนนอนอย่ามีโทสะอย่ามีความโกรธ ถ, ถ้ามีความโกรธมีโทสะแล้วจะเสียสง่าราศีถ้าเ ร, ราทราบดีว่าคนที่มีโทสะมีความโกรธนะั้นหน้าไม่สวยนะตามปกติหน่ามันก็สวยนะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าเป็นเทวดาเป็นเทพธิดาแต่เมื่อเวลายามโกรธมาแล้วกลายเป็น เป็นยักษ์เป็นมารไปแล้วไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทพธบุตรจะแล้วเป็นยักษ์เป็นมารฉะนั้นท่านจึงสอนว่าเวลาโกรดนั้นให้เราหัดดูที่กระจกเนี่ยมันคือจําหน้าตัวเองไม่ได้ว่าเป็นหน้าใครอยูนเนี่ยเมื่อยามโกรธโกรธมองส่องกระจกจะวัน อ, อกใจเต้นมาเห็นหน้าช่างฟันยากปากจมูกได้ลูกตาดังยักษ์สาราศีไม่มีเลยนี่ผู้ชายเป็นยักษ์สาเนี่ยเทาอีกนักเป็นยักษ์ศี ฉะนั้นหน้าตาไม่สวยนะคนโกรธเนี่ยเดี๋ยวก็ใจก็ไม่ดีด้วยแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราต่างๆนาน า, นาเพราะอาศัยความโกรธนี่ยด้วยเหตุนี้คนที่จะมีสง่าราศีนั้นต้องไม่โกรธนะใจเย็นใจมีเมตตาเมื่อใจมีเมตามเมตาใจเย็นแล้วหน้าตาก็สวยถ้ามีสเสน่ห์ตอนนี้เองราศีก็เกิดขึ้นแต่ถ้ามีโทษสโมโหแล้วหมดสง่าราศี คนที่หน้าตาดีๆเขาขา ว, ขาวก็กลายเป็นหน้าแดงหน้าเบี้ยวหน้าบูดไม่น่าดูไม่น่าชมเลยไม่น่าเข้าใกล้นะเกิดอันตรายต่างๆเพราเพราะอาศัยโทรศัพ์ความโกรธเองหดสงสาราศีเหตุนี้ท่านจึงสอนว่าัยาจะมีสงางราศีแล้วเช้าๆต้องยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเบิกบานแสดงถึงเมตตากรุณาคนยิ้มนี่นะใจดีเนี่ยมีภาษีนะฮะ คนที่โรโสมโหเนี่ยไม่มีภาษีคนที่มีภาษีคือคนใจดีหน้าตายิ้มแยง้งแจ่มใสท่านจึงสอนว่ายิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไรโรคารูปร่างงามโสภาเป็นสเสน่ห์แก่ปวงชนยิ้มไว้ในใจมาสดชื่นนะสังเกตนะฉะนั้นใจมาสดชื่นต้องยิ้มไว้ แต่มะกระแสมันก็ผ่านไปถึงใจเนะใจก็สดชื่นแล้วทําให้คุณน่ะอายุยืนด้วยคนที่ใจดีเนี่ยอายุยืนนะคนที่ขีโดด้โกรธเนี่ยอายุสั้นเคยเห็นมาหลายคนแล้วอายุสั้นนะแล้วคนที่มีจิตใจดีหน้าตายิ้มแย้มมีสเสน่ห์นะคนรักนะด้วยเหตุนี้คนที่หน้าตายิ้มๆเนี่ยได้เปรียบเพื่อนนะได้เปรียบกว่าคนที่เนี่ยได้เปรียบเพื่อนนะได้เปรียบกว่าคนที่หน้าตายิ้มไม่ค่อยจะได้ยิ้มไม่ค่อยจะไหว เด็กคนอยากที่ว่าเทวดาบอกคุณไม่รับนหน้าบอกคุณไม่รับด้วยเหตุนี้คนที่หน้าตายิ้มๆนะมีภาษีนะฮะพระคืคอทิศบุรพาเนี่ยเสกวาลินด้วยพระธรรมคาถาที่นับถือคือพระใจเสนาท่วนสามคาจึงชําระสักกะพักให้หันหน้าไปสองทิศนะทิศบุรพากับทิศทักษิณทิศบุรพาคือทิศ ต, ตะวันออกนะท่างกล่าวว่าทิศนั้นมีเทวดาคยอยอวยศีลให้พร ถ้าใครร้างหน้าหันหน้าไปทางนั้นแล้วอายุมั่นขวัญจะยืนส่วนทิศทักษิณคือทิศใต้นั้นบุคคลผู้ใดหันหน้าไปทางนั้นแล้วล้างหน้าก็จะทำให้มั่งมีสีสุกเงินทองไหลมาเทมานิทวายอย่างนั้นนะด้วยเหตุนี้เราก็หันหน้าไปสองทิศนี้ไม่ทิศบุรพาก็บทิศทักษิณเน่ยถ้าอยากจะร่ำรวยก็ล้างหน้าหันหน้าไปทางทิศใต้ ใครอยากจะมีอายุมั่นขวันยืนต้องหันหน้าไปทางพิษบูรภาคือพิษตะวันออกนั่นเองแล้วเวลาล้างหน้านั้นจะต้องเศษคาถาด้วยนะด้วยพระธรรมคาถาคือพระไตรส ร, รนาพระไตรส ร, รนาคืออะไรพระไตรส ร, รนาคมนี่เองะพุทธังทำมังสังคังเนี่ยหรือพุทโธรมโมสังโคเนี่ยเศษน้ำ ด้วยคําว่าพุโทโธพุธโทโธธรรมโมธรรมโมสังโคสังโคเสกลงไปในน้ําน้ํานั้นก็เป็นสวัสดิมงคลมีสง่าราศีแล้วก็อน้ําที่มีมงคลนี้มาล้างหน้าหน้ามันก็มีสง่าราศีนี่ไม่ใช่ว่าล้างหน้าพรางดาบางล้างหน้าพางบนพรางแช่งพรางอันงนองนี้น้ํามันก็เสียนี่เมื่อน้ําเสียเช่นนี้แล้วเอามาร้างหน้าหน้ามันก็หมดสง่าราศีนี่เพราะฉะนั้น เราจะต้องเศษด้วยพุโทโธธรรมโมสังโฆหรืออิติปิโสพัควาเนะเศษในสิ่งที่ดีๆน้ําจะได้ดีเมื่อ น, น้ําดีแล้วเอามารัางหน้าหน้ามันก็ดีหน้ามัน ก, ก็สวยหน้ามีเสน่ห์มีราศีด้วยประการชนีดนี่เรื่องของอยามเช้าราศีอยู่ที่นาให้ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าจะกล่าวถึงธรรมะทางสูงให้รักษาหน้าที่นะเด็กนะไม่ใช่อะไรรักษาหน้าคือหน้าที่ยังพระตอานี้ก็ปฏิบัติในหน้าที่ของพระ หน้าที่ของพระคืคออะไรบ้างหน้าที่พระนี่มีเยอะแต่เมื่อเปล่าวย่อๆก็มีสามอย่างหนึ่งสวดมนต์ภาวนาสองศึกษาเล่าเรียนสามภาคเรียนปฏิบัติด้วยเหตุนี้ประสงค์สัมมาเนตรต้องขยันทําวัดไหวพระสวดมนต์นี่เป็นหน้าที่โดยตรงไปชิ้ชันแล้วก็จําวัดแล้วก็จําวัดแล้วก็เที่ยวไปเฉยงั้นันผิดหน้าที่ต้องทําวัดไหวพระสวดมนต์เป็นหน้าที่โดยกรงของพระและสัมมาเนตร นี่สวดมนต์ภาวนาประการที่สองศึกษาเราเรียนเรียกว่าบทเรียนเขียนอ่านไงถ้าสงฆ์ธรมเรียนต้องเรียนไม่ใช่บทเรียนเฉยๆเท่าความรู้ในทางศาสนามีเยอะที่ควรจะรู้นยะถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ไ ม, รไม่รู้ก็ไม่จำไม่ทําก็ไม่เป็นด้วยเหตุนี้ต้องเรียนหนวดจะแก่เท่าชาเราก็ต้องเรียนหาความรู้ใส่ตัวยิ่งมีความรู้มากเทา่าไรชีวิตก็มีความหมายชีวิตก็มีประโยชน์ขึ้น รายการศึกษาเร่องเรียนนี้สําคัญมากประการสุดท้ายภาพเจนปฏิบัติในศิกขาววินัยให้เคร่งคัดนี่รวมเป็นสประการด้วยกันนี่หน้าที่ของพระ ส, รสงฆ์เราสวดมนต์ภาวนาศึกษาเร่อเรียนข้าพเพียนปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วๆวไปนั้นก็มีหน้าที่แต่ลายอย่างหลายอย่างพ่อแม่ก็มีหน้าที่ปฏิบัติต่อลูกลูกก็มีหน้าที่ปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ยกตัวอย่างลูกโลกที่จะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ มีพระศาสดาทรงสอนเอาไว้มีห้าอย่างญาติโยมที่เป็นลูกนะก็จําไว้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ทั้งตัวห้ายางมัชย์อัตามาบอกเองนะพอพระศาสดาอมรุติเจ้านํามาให้ญาติโยมได้ฟังว่าหน้าที่ของลูกที่ดีเป็นลูกแก้วนะั้นจะทำ ย, ยังไงหนึ่งพ่อแม่เคยเลี้ยงนํามาแล้วเลี้ยงพ่อแม่ตอบแทนประการที่สองช่วยพ่อแม่ทํากิจการงานต่างๆไม่ทอดทุรง ประการที่สามดำรงวงตระกูลที่ดีเอาไว้อย่าให้ทาเสียชื่อวงตระกูลประการที่สี่ปฏิบัติตนให้เป็นลูกที่ดีให้พ่อแม่ไว้วางใจที่จะรับกระดูกตกทอดสืบต่อไปได้ประการที่ห้าเมื่อพ่อแม่ร่วงรัจบจากชีวิตไปแล้วทําศพกุทิศบุญกุศลให้แก่พ่อแม่ให้สมเกตทุกประการนี่ห้าอย่างนี้เป็นหน้าที่ของลูกที่าจะ ป, ปฏิบัติ ต, ต่อพ่อแม่เหล่านี้เป็นต้นทุกอย่างทุกคนมีหน้าที่เท่านั้น ใครมีหน้าที่อย่างไรปฏิบัติไปตามหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกว่าเชา้าเช้าราศียุทธิที่นะก็คือปฏิบัติหน้าที่นี่เองใน ต, ตอนตะวันกล้าราศียุทที่อกในตอนนี้มันร้อนนะ่ะต้องอาบน้ำอย่าง น, น้อยๆก็อาบน้ํามารูปอกให้เย็นอกเย็นใจเมื่อใจมันเย็นแล้วการจะทําจะพูดมันก็ดีไปตามด้วยเราใจมันเย็นนใจมันดีเมื่อจะกล่าวโดยทำมาปฏิบัติชั้นสมก็ เ, เคยเห็นอกเห็นใจซึ่งในในกันและกัน มีเมตตากรุณาต่อกันในกันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันในกันนี่อย่างนี้เป็นต้นอีประการหนึ่งให้มีสัมมาคาระวะยกมือไหว้การไหวในแมมดีมากสแสดงว่าเรานี่มี จ, จิตใจสุข ม, มีสัมมาคาระวะยกมือไหว้พระก็จะมีคนชมบางคนเข้าใจผิดว่า ย, ยกมือไหวคนนี้มาเสียเกียรติเข้าใจผิดนะเนี่ยการยกมือไหวเนี่ยเป็นการโชว์เกียรติ ส่งเสริมเกียรติแก่ตัวเองเนะแสดงว่าเราเนี่ยประกาศเป็นคนดีมีสัมมาคารวะให้สังเกตุอยราะนั้นยายได้ยาเราเราอยากเข้าใจผิดนะว่าไปอ่อนน้อมต่อเขาเนี่เหมือนเสียเกียรติทําให้หมดเกียรติไม่ใช่อย่าง น, นั้นการอ่อนน้อมยกมือขึ้นไหวสมควรไหวก็ไหวสมควรกราบก็กราบเนี่ยสแสดงว่าเราเนี่ ย, ยกย่องตัวเองให้ใครก็เห็นว่าเราเป็นคนดีมีสัมมาคารวะด้วยเหตุ น, นี้การยกมือไหว้ แต่คนที่ควรไหว้สการะบูชาเป็นสิ่งที่ดีเราควรจะปฏิบัตินะอันนี้ได้ชื่อว่ายามตะวันกล้าราศีที่อกก็คือปฏิบัติอย่างนี้เวลาตะวันตกราศีอยู่ที่เท้าคือเดินให้มีสัมมาคารวะจะตึงตึงตั้งตังไหมนะบางคนไม่มีสัมมาคารวะจะปิดจะเปิดประตูหน้าต่างกะตึงตั้งเปรี่ยงปล่าเดินก็ไม่มีสัมมาคารวะนะกูหลักูใหญ่นอนอยู่หสันหัวครอนะเียตึงตึงตังต ไม่มีสัมมาคารวะพูดจาเอะอะอะไรเงี้ยไม่มีสัมมาคารวะไม่กันด้วยเหตุนี้คนที่มีสัมมาคารวะจะเป็นคนมีเสน่ห์มีสง่าราศีอีกประการหนึ่งให้รู้จักทางเดินทางไหนเป็นทางอวัยมุฒอย่าไปทางไหนเป็นทางที่ดีก็ควรจะไปเช่นญาติโยมมาวัดอะไรเงี้ยเป็นทางที่ดีอย่างนี้เรียกว่าเดินในทางที่ดีที่ถูกที่ควรเป็นทางบุญทางกุศลเรียกว่าเดินทางที่ดี ถ้าทางไปเล่นการพนันไปกินเหล้าเมายาไปรักไปขโมยต้นสะดมนี่เป็นทางที่ไม่ดีไปแล้วมันเป็นการทําให้เกิดทุกข์โทษทรมานกิกคุกกิตารางนั่นเป็นทางที่ไม่ดีอีกประการหนึ่งการปฏิบัติในกุศลธรรมบงเพญบุญกุศลทุกอย่างเป็นทางเดินที่ดีส่วนบาป ก, การรมอกุศลต่างๆนั้นเป็นทางที่ไม่ดีไม่ควรปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นรวมใจความว่าเช้าๆราสีอยู่ที่หน้า ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีตะวันกล้าราศีอยู่ที่อกให้เหนอกเห็นใจซึ่งกันและ ก, กันแล้วก็มีสัมมาคารวะเวลาตะวันตกราศีอยู่ที่เท้าให้เดินมีสัมมาคารวะและก็รู้จักทางที่ควรเดินและไม่ควรเดินเหล่านี้เป็นต้นเมื่อปฏิบัติได้ดังนี้แล้วเราก็จะมีสง่าราศีและได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติในวันสงกรานต์ให้วันสงกรานต์นั้นมีชีวิตชีวาไม่ผ่านไปโดยไรสาระ ชีวิตของท่านก็จะมีสาระทรัพย์ก็จะมีสาระร่างกายก็จะมีสาระเมื่อมีสาระเช่นนี้แล้วสาระอันนี้เองอันเกิดจากคุณผู้สนก็จะนําตนของท่านให้ประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาแม้ว่าวันสงกรานจะผ่านคนไปแล้วสามสี่วันแต่ถึงกระนั้นท่านก็ควรจะปฏิบัติเกี่ยวเรื่องในวันสงกรานดี คือนาเอาราศีสามประการมาปฏิบัติตลอดปีท่านก็จะมีราศีตลอดไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็จะมีแก่ท่านทั้งหลายเพราะปฏิบัติแต่ราศีทั้งสามประการด้วยประการชนีรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาเอี่ยวได้วันสมกรารย่อยๆพอเหมาะสมกับเวลาก็ขอยยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนน <c oughs> ขอโอกาสสังนิษนะท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาขอประกาศข่าวอันน่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งในผลงานของพวกเราทั้งหลายที่สำเร็จลงได้อย่างงดงามและก็รวดเร็วทานอกทันใจนั่นคือส า, าลาริมทาง สายถนนธนบุรีปากท่อได้สำเร็จลงด้วยทวดทรงที่สง่างวังามสิ้นค่าก่อสร้างพร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด1 2 0่ ส, สองบาทรายการที่สองได้ซ่อมมนดกบริสถานพุทธกินราชณวัดบางเกาะสิ้นเงินสอง0 0บาทก็เรียบร้อยไปแล้วส่วนพระประธานที่ผู้ร้ายรักไปจากโบสวัด กองโคนนั้นคุณยมแบบชิมโฉมก็ได้รับสร้างถวายพร้อมทั้งพระมหาโมครารนะละประสาริบุตรสิ้นทรัพย์หนึ่งมืนแปดพันบาทกำหนดจะนำไปถวายและฉลองในวันอาทิตย์ที่อี่สิสี่พฤษภาคมนี้ท่านผู้สร้างมีความประสงค์ขอเชิญท่านทั้งหลายไปร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยส่วนรายการที่สี่คือการซ่อมสร้างสะพาน ข้างวัดตกใกลๆบางพรตม า, ตมาซึ่งบัตรนี้ได้ลงมือแล้วช่างประมูลราคาประมาณสอง0มื่นบาทเศษบัตรนี้ได้มีท่านผู้มีใจบุญได้มาร่วมบริจาคเพิ่มเติมมีรายงานดังนี้นางเง็กแทะตั้งห้าร้อยบาทนางกิมพัวแท่เตียมแทะเตียวห้าร้อยบาทคุณสุนีจงสเสถียรหนึ่งพันบาทคุณในน้อมเกติบุตรหนึ่งพันบาท และคุณโยมมนเย็นบุญนาคพร้อมได้ทายาตหนึ่งมื่นบาทอาตมาปลื้มใจในมหากูศสในน้ำใจศรัทธาของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะดำริธรมหรือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นก็สำเร็จลงอย่างง่ายดายทั้ทงนี้ก็เพราะแรงศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายที่ได้แผ่เมตตามายังวัดของเหล่านี้อาตมาภาคกข อ, ขอ อนุโมทนาและแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านทั้งหลายด้วยอันหนึ่งต้นพระปาที่ธรรมะอัดได้ประกาศเมื่อเมือตอนก่อนที่จะเทศนั้นหน้าที่ท่านทั้งหลายได้นําไปทอดที่วัดคลองโคนนั้นโดยการอํานวยการของคุณไอ้ชอยชิมพลังปูนนี่ก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีถึงเวลาระยะยังเล็กน้อยก็ได้เงินตั้งหกพันกว่าบาท 6,008 บาท50เสต็งซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะทราบแล้วอันนี้ก็ทำความชื่นชมเยนดีให้กัญาติโยมและประสงค์ที่วัดคลองโคนเป็นอันมากนี่เขาเริ่มใส่ศสัทธาญาติโยมวัดวิรวงสาวาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอชมในชอยว่าโฆษณาไกลราะมากก็ติดอกติดใจนี่ก็ประกาศให้ญาติโยมได้ทราบด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสต่อไปก็ขอเชิญญาติโยม ไปวัดความขนอีกพัฒนุคติดใจญาติโยมวัดเรานี่ขอประกาศให้ญาติโยมได้ทราบด้วยประกาศชนียทาวริวาหากู้ราปริปูเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจชตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยทถามณิโชติราโสยทถา